ถ้าสังเกตดีๆนะธรรมชาติเนี่ยกฎของธรรมชาติเนี่ยยิ่งให้ก็ยิ่งได้บางคนเนี่ยไม่มีความสุขรู้สึกจิตใจแห้งแล้งแต่พอเราไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันความสุขให้ความสุขนั้นก็ย้อนกลับมาหาเราทันทีเลยแต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากได้ของเข้ามาใส่ตัวมากเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยกฎของธรรมชาติจิตใจเราเหมือนกับบ่อน้ํา ที่ต้องมีการถ่ายเทคือรับเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกแต่ถ้าเราใช้ชีวิตไว่เป็นบริหารจิตใจไม่เป็นเราจะกลับกักเก็บเข้ามาไว้ข้างในจนจนล้นจนเน่าจนเหม็นแล้วก็ทําให้ธรรมาชาติไม่สมดุลด้วยเรสังเกตดีๆคนรวยรวยมากๆนะถ้าคิดไม่เป็นจะไม่มีความสุขเลยพราะคนรวยคนโลภอยู่ใกล้กันเพราะว่าจิตที่โลภเนี่ย คือจิตที่เอาเข้าแต่ที่ผู้ปัญญาเนี่ยจะสามารถใช้ทรัพย์สินของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราก็ขยันหาด้วยเพื่อไม่ให้ไม่ให้ทรัพย์สินเราพองไปอันนี้ประโยชน์ตวประโยชน์ท่านเราแบบคนที่ทาบุญเนี่ยบุญก็มกักจะย้อนมาหาเราไม่ใช่แค่าชาตินี้ถึงชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย จ, าาจะเป็นอุปนิสัยมาท่องก่อนให้ฟัง ก่อนนี้แต่งไว้ดีมากมีสาระดีควรบำเพ็ญทานซึ่งการให้ท่านว่าไว้สวยงามสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะชนะภามานอภัยทานที่สามงามเหลือเกินเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นยาจกมีคนยกคนลักมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ของง้อเขาไม่เข้าที เสียศักดิ์ศรีคนชัางลังเกียดเราสองฐานะวิจัยให้เห็นแจ้งอย่าเครือบแคลงกังขาอย่างโง่เขาเป็นผู้ขอผู้ให้ตามใจเราจะเลือกเอาอย่างไหนคิดให้ดีโดยธรรมชาติแล้วผู้ผู้ขอมักจะเป็นที่ลังเกียจของผู้ให้ผู้ให้มักจะเป็นคนที่น่ารักสำหรับผู้ขอการให้ ที่ไม่น่ารังเกียจคือการให้อภัยการขอที่ไม่น่ารังเกียจคือการขอโทษขอโทษได้จะไม่ได้รังเกียจยิ่งขอโทษมากยิ่งดีการให้พยทานเนี่ยเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยชีวิตเรามีความสุขอย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า่ะ พระ อ, องค์ตลอดพระชนชีพเ่ยจะบิดาบายตลอดชีวิตเลยการบิดาบ่ายของพุทธองค์เนี่ยก็มีจุดประสงค์คือโปรดสับระศัตย์ช่วงเช้าตีสี่พระ อ, องค์ก็ส่องพระญาแล้ววันนี้เราจะ ป, ปรดใครคือถ้าใครมีอิจฉาแก่ก้ามีอุปนิสัยก็จะเข้ามาเนี่ยขายพระญาณของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็จะไปโปรดคนนั้นโดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นคนรวยคนจน สมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีคนบรรลุธรรมมากมายจากการบีทาบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสาวกทั้งหลายมากมายเหลือเกินอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งสองสองอย่างคือโยมเนี่ยก็ได้ฝึกจาคะการเสียละ ด, ด้วยคือถ้าไม่มีผู้รับก็ไม่มีผู้ให้คือขาดความสมดุลแต่เมื่อมีผู้รับก็มีผู้ให้จึงจะเกิดความสมดุลทั้งสองฝ่าย อยู่ญาติโยมก็ตักบาตรเลี้ยงพระพระนี่ก็ศึกษาหาความรู้มาสั่งสอนญาติโยมแล้วก็ทำให้ศาสนาตั้งอยู่ได้เื้อเฟือซึ่งกันและกันซึ่งเกิดประโยชน์มากพระสชัชิท่านก็ไม่ได้สอนหลายตอนท่านบรรลุธรรมใหม่ๆท่านเป็นน้องเล็กของมัจะจ้วะคีทั้งห้า ท่านก็เป็นหนึ่งในหกสิบคนที่พระพุทธองค์ส่งไปเผยแผ่ศาสนาชุดแรกไปเผยแผ่ถามสามเดือนก็ไปกรุงราชคฤห์ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยก็มีมานพอยู่สองคนเป็นเพื่อนรักกันมากชื่ออุปติสะแล้วก็โกริตะสองชายหนุ่มเนี่ยชอบดูมหรสพการเล่นต่างๆแต่อยู่มาดูมากๆก็เกิดาเบื่อหน่าย อดีตชาติเคยบาเพ็ญมามากจะมีความสุวไร้สาระการดูมหาศพดูการเรื่องต่างๆก็เลยชวนการไปปฏิบัติธรรมก็ไปหาอาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นอาจารย์เป็นครูอาจารย์หนึ่งใ น, นครูะัหกซึ่งครูทะ้งนี่เกิดก่อนพุทธเจ้าจะมีการสอนที่แตกต่างกันไปแต่ก็ส่วนใหญ่จะมิฉาทิฏฐินะคือการสอนไม่ใช่เป็นเพื่อความดับทุกข์ คืออุัติศากับโกริตา ก, ก็ไปเรียนยอยู่สำนักนี้ขออาจารย์สันชัยเรียนจนอาจารย์หมดความรูม้ที่จะสอนแล้วก็จะให้สอนลูกศิษย์ต่อไปแต่อุบติศาก็มองก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางยังไม่ใช่ทางอุดพ้นและอยู่ประมาวันหนึ่งอุัติศาก็ยามเช้าพาะสัชิก็มาบินทบาต ท, ท่านบิณบาตด้วยอาการกลิย์ใหญ่สรวมอ่อนน้อม เดินด้วยความเรียบร้อยน่าเลื่อมใสอุปติสามาโนบก็เห็นแล้วเกิดศรัทธาอย่างแรงโอหคือเกิดความเลื่อมใสก็ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนก็เลยเดินเดินไปเพื่อถามธรรมะว่าใครเป็นครูของท่านพระสัชีก็บอกว่าพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านแสดงธรรมให้ซึ่งพระสัชีก็บอกว่า อธมายพื้บวชได้ไม่นานยังไม่มีความรู้แตกฉานที่จะแสดงธรรมขอแสดงธรรมสั้นๆก็แล้วกันก็บอกว่าถามทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงบอกเหตุและการดับเหตุแห่งธรรมนั้นอุปติสามานพพอได้ฟังแค่นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันปฏิผลเลย คือบำเพ็ญมามากแล้วพอได้ยินแล้วตรงตรงกับไอ้นั่นดูแต่เห็นทางปุ๊บก็ดีใจแล้วรีบไปบอกเพื่อนสนิทคือมานพโกุิตะแล้วก็พูดอย่างเดียวกันน่ะนําคําสอนของพระศาจีมาบอกกุลิตะก็ได้บรรลุโสดาบันเหมือนกันการเคาเพื่อนดีก็ไปอย่างเนี้ยช่วยเพื่อนพ้นทุกข์ได้ ทั้งสองคนก็ดีใจช่วนจะไปห า, าจา่าตัวเองเพื่อจา่าสัญชัยเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะบวช จ, าจา่าจ่าสัญชัยมีอัตตาตัวตนเยอะก็เลยไม่ไปมารพบทั้งสองก็เลยไปไปบวชกับพระพุทธเจ้าซึ่งต่อมาก็ได้เป็นอาราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอุปนิศส์ก็คือ ภาษาริบุตรส่วนโกลิตะคือพระโมคาลานะภาษาริบุตรมีปัญญามากแล้วก็ได้ชื่อว่ามีความกระตนันยูต่อครูบาอาจารย์ก็ต่อผู้รับคุณ2000กว่าปีแล้วชื่อท่า น, นยังอยู่มีความเด่นในด้านนี้คือเวลาท่านทราบข่าวว่าพระสัชชีนอนอยู่ที่ใดท่านก็จะนอนหนันศีรษะไปที่นั่น เม่จะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตวันตกตะนออกแบบไม่มีเงื่อนไขท่านจะรักรักอาจารย์ท่านมากว่าอาจารย์ท่านทําให้ท่านบารรลุธรรมต่อให้เป็นพระเทเร่าผู้ใหญ่ท่านก็ทำํำพิ่ดารชีวิตแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เด่นเด่นก็คือมีพาราหมู้หนึ่งคือลาลาท้าพาราหมู่ที่เป็นพาราหมู้เท่าอยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้เพราะไม่มีใครรับรองพระพุทธองค์ก็ประชุมสงฆ์ แล้วก็ถามว่าใครจะบวชให้พระสารีบุตรก็นึกถึงว่าครั้งหนึ่งลงาทัพพามเนี่ยเคยถวายข้าวหนึ่งทัพพีใส่บาทตนหรือถึอบุญคุณเลยรับอาสาจะเป็นอุปชาให้ก็เลยรับอาสาบวชลาทัพพามพอได้บวชปุ๊บก็เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่านอสอนง่ายแม่นางก็ได้บรรลุอรหันต์เพราะความเมตตาของพระสารีบุตรแท้แท แล้วก็บนรดายชีวิตท่านก็ยังไปปวดแม่ของท่านซึ่อแม่ของท่านนี่ก็เป็นป น, ป น, นับถือลัทธิพาราหมณ์ซึ่งไม่ได้นับถือพุทธก็ไปพูดจนแม่ของท่านเนี่ยบรรลุธรรมแล้วท่านก็มรณภาพท่านมีความกตัญยูมากขนาดท่านจะมรบภาพรู้วันตายท่านยังไปปวดแม่เลยให้บรรลุธรรม อันนี้คือตัวอย่างความกตัญญูซึ่งการทําความดีเนี่ยเราก็ได้ความดีตอบแทนแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกมากมายการให้ไม่ใช่แค่ทำ บ, บุญใส่บาตรเท่านั้นแม้แต่การให้อย่างเราเนี่ยให้อาหารไก่หรือให้อาหารกระรอกให้อาหารปาลาเราก็มีความสุขและหรือช่วยสัตว์เนี่ยได้รับความสุขผลจากความหิวหรือให้อาหารสุนัข หรือช่วยคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจิตที่คิดจะให้ย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาเหมือนกับว่าเป็นน้ำที่จิตที่คิดจะเอาเดี๋ยเป็นน้าบ่อเดี๋ยวก็นา่าจิตที่มีการให้คือคือเป็นน้ำคลองน้ำน้ำแม่น้ำที่มีการไหลเบียนตลอดเวลาคือยิ่งให้ก็ยิ่งได้ด้วยนิสงแห่งบุญเนี่ยคนที่ให้ทานเนี่ยจะไม่โจรหรอก ผีดจาคนที่ไม่ให้ใครเห็นใครก็เมตตาใครเห็ใครก็รักคนที่ให้ความรักก็ได้รับความรักตอบแต่เราต้องเป็นคนรักเขาก่อนนะความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรักอย่างหนุ่มสาวรักอย่างผัวเมียแต่หมายถึงรักโดยสากลทั่วๆไปแต่ถ้าเราไม่รักเขาก่อนเนี่ยแล้วเราก็บ่นว่าคนโน้นคนนี้ก็ไม่รักเราคนโน้คนนี้ก็ไม่ชอบหน้าเราเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเอาไว้ ถ้าเรารักคนอื่นก่อนค น, อนก็รักเราแน่นอนคือบุคคลที่หาได้ยากมีสองประเภทก็คือผู้ทําอุปหักอุปการะก่อนแล้วก็ประเภทสองกคือบุคคลที่มีความกระตันยูต่อผู้อิพภคุณกระตันยูตอบอันนี้หายากความกระตันยูเป็นสมบัติของคนดีเป็นเครื่องหมายคนดีคนที่มีความกระตันยูเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เมื่อจะเป็นทางโลกก็ทางธรรมผิดแต่คนที่เนรคุณคนคนเนรคุณคนมักกะตัวไม่รอดเนรคุณครูบาอาจารย์เนรคุณพ่อแม่เนรคุณเพื่อนชีดมัะกจะตกต่ำอันนี้เห็นมากแล้วต่อยมีความรู้ขนาดไหนบางทีลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วก็เผาสถาแล้วก็วะแล้วก็นินทาใส่ร้ายสารที่ที่พระคุณเราเนี่ยชีวิตเราตกต่ำลงมาเรื่อย เราอยู่ยไหนแล้วก็สร้างความเจริญกัที่นั้นอันนี้คือการตอบแทนบุญคุณช่วยดูแลสถานที่ทําความสะอาดซ่อมแซมบํารุงทําให้สถานที่ได้ใช้นานๆเรานสามารถตอบแทนบุญคุณสถานที่ได้ตอบแทนครูบาอาจารย์ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่าทามาเป็นกรรวาจาในการบวชเนี่ยอันมาจะ เวลาให้นุสศาสพ้าเนี่ยลามาจะเน้นเรื่องบิดาบาตเดี๋ยวดับแรกเพราะบางคนเข้าใจผิดเรื่องบิดาบาตอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดประยุร ญ, ญาตที่กรุงก บ, บิลพัทซึ่งพระองค์ก็ไปบิดาบาตในในเมืองพระเจ้าสุโทโธนะสึ่งพระบิดาเนี่ยเห็นเข้าพระองค์ก็รู้สึกรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบรู้สึกเสืเส่อมเสียพระเกียรติ พวกพระพุทธองค์เนี่ยเป็นลูกกษัตริย์คือจะมองว่าประพฤติเยี่ยงขอทานทําไมไม่มารับอาหารในวังเจ้าสุโธนาก็ไปพูดกับพระพุทธองค์พระพระุทธองค์ก็บอกว่าเราทําตามวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพุทธเจ้าเลยต้องบิดาบาสปวดสรรปสัตว์เพราะเป็นนิสัยของของพระเลยโดยตรงอย่างพระที่ไม่บิดาบาสเนี่ย จะต้องถูกปรับอาบัตถ้าไม่ป่วยไข้คือฉันได้วันเดียวต้องเว้นล่ะถ้าฉันติดติดการทุกวันเนี่ยจะถือไม่ทําหน้าที่ไม่ทากิจงสงส์ก็ต้องปรับอาบัติคือพระพุทธเจ้าบิณธ บ, บาตตลอดชีวิตครูบาอาจารย์บางคนก็แปดสิบเก้าสิเปรียบบินธ บ, บาตถ้าบินไหวนะแต่บางคนก็ไม่บินก็ไม่เป็นไรเรื่องส่วนตัวแต่นิสัยพระการบินธ บ, บาตสําคัญมากบางคนได้ถือตลอดชีวิตเลยจนกว่าตัวเองล้มป่วยบินไม่ไหวจริง หือเป็นการโปรดญาติโยมให้ญาติยมได้ทำบุญแต่ถ้าเราไม่ชอบบิณฑบาตบางทีเราศึกไปก็ได้เพราะไม่ไม่ใช่นิสัยพระบางทีเราชอบไปคนมาถวายเราถือของแบบไฮโซถึงที่หรือไปซื้อกินอ่ไรเงี้ยถือนิสัยพระก็ต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นคนเลี้ยงง่ายทุกครั้งอนุมาก็เน้นตัวนี้เวลาถ้าหลวงพ่อให้บอกอนุสาวรีย์พระใหม่แต่ถ้าคนอื่นบอกก็จะบอกเรื่องอื่น พ่อพร ะ, พะการบิณบาตไม่ใช่ขอทานในการโปรดญาติโยมบังคัาช่วยญาติโยมเลยเกิดศรัทธาอากศรัทธาน้อยกลายเป็นศรัทธามากบางคนก็มาบวชได้เป็นญาติกับผู้ศาสนาการบวชของเราเนี่ยบางทีก็ดึงญาติเข้ามาเยอะแยะหมดเลยมีอันที่สองมากคือบางคนมีญาติพี่น้องเยอะพอเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นลูกบวชเห็นเพื่อนบวชเข้าวัดมาเยี่ยมเยียนเห็นแล้วเกิดศรัทธา เอาซีดีหลวงพ่อไปฟังเอาซีดีครูบาจารย์ไปฟังเอาังสือธรรมะไปอ่านก็สามารถเรียนรู้ชีวิตด้านในได้ออกจากความหลงได้การให้ธรรมทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงสามารถทําให้คนที่หลงออกจากความหลงการให้ธรรมทานคือให้ความรู้หรือว่าก็บอกคนที่หลงผิดให้กลับตัวกลับใจได้ผู้ได้คนมีมิจฉาทิฐให้มีสมาธิติ เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนกสวรรค์มีนิพพานมีมรรคผลมีทุกมีสุขมีให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะคนเราส่วนมากที่ทุกเนี่ยเพราะวางจิตผิดคิดว่าโลกเนี้ยเป็นของเที่ยงเป็นเศษความเป็นจริงของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรายึดไม่ได้อะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บป่วยเดี๋ยวหูก็ไม่ดีเดี๋ยวตาก็มัวผมก็งอก ร่างกายก็เสื่อมโทรมไปมันไม่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราทุกคนอยู่ใต้ใจรักทุกคนกฏนี้ถ้าใครยอมรับกฎนี้ก็ยังไม่ทุกข์ก็เลยยอมรับอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่างเมื่อเดืนที่แล้วเนี่ยวันที่22ธันวานเนี่ยก็มีข่าวโลกจะแตกซึ่งคนก็ตื่นข่าวนี้ก็ทั่วโลกเลยกลัวโลกจะแตกกันว่างทำํำพิธีบวงสรวง อ, งอุตลุดเลยอย่างรับาก็ไม่เคยคิดกลัวตายก็ตายเพราะาเราแต่ก็ไม่เห็นมันแตกเพราะาเราไม่เชื่อแล้วว่าโลกจะแตกที่คนมันคิดเอาเอง บางคนหาผลประโยชน์จากข่าวบางคนถึงก็ขายที่ขายทางย้ายที่อยู่ก็มีกลัวน้ําจะท่วมโลกกลัวนสินามิอสารพัดกวแผ่นดินไหวคนเราถึงเข้าตายก็ตายอยู่ไหนก็ตายาคนเราสร้างเหตุไว้ไว้เหมือนกันบางคนก็อยู่จนแก่บางคนก็เด็กก็ตายแล้วความตายจะเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เลยจะตายเมือ่ออายุเท่าไหร่สิ่งที่เราเลือกได้คือทําคุณประโยชน์อันว่าเคยคุยกับอาจารย์กัมพลอาจารย์กัมพลบอกว่า การเจริญสติเนี่ยการภาวนาสําคัญที่สุดเลยคือถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราจะทันอารมณ์นั้นแต่คนไม่มีสติเนี่ยเวลาโกรธมันก็เข้าไปเป็นผู้เป็นเลยเข้าไปโกรธหรืออารมณ์โลภอารมณ์ลิสิยาต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าคนมีสติรู้ทันเนี่ยแป๊บเดียวกลับมาดูตัวเองทีเวลาเราจะเพ่งเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยรู้สึกตัวกลับมาได้แล้ว แต่ละคนไม่รู้สึกตัวเนี่ยโหยาวเลยบางทีเพ่งโทษไม่เห็นฟ้าผิดตัวเองอิจฉาริษยาเปรียบเทียบมองคนในแง่ร้ายต่างๆถ้าเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยรู้ท่าทท้จิตใจรู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยเราวออกจากอารมณ์นั้นได้คือเข้าบบไม่ลึกคือเข้าไปผู้เป็นแต่เป็นไม่ลึกนี่ออกมาได้แต่เข้าไปเป็นลึกแล้วยากละบางคนเนี่ยโกรธ หลายปียังไม่ลืมเลยความโกรธแค้นฝังใจที่เข้าไปลึกย้ำคิดย้ำโกรธย้ำย้ำทำซึ่งเรือพนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเรารู้มีความรู้ด้านในแล้วก็เข้าใจถ้ามีทุกข์ก็มีไม่นานมีแบบเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วก็สามารถหาสูขได้จากความทุกข์ คือยอมรับความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่สําคัญถ้าเราวางใจกับเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างไงถ้าระวางใจไม่เป็นเนี่ยทุกปัญหาและอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็ทุกบทแหละอุปสรรคเกิดขึ้นแทนที่เราจะสู้หรือหรื อ, ร อ, อเผชิญเราก็จะหนีบางทีอุปสรรคไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่จิตเราคิดแต่ความคิดเราหน้ากลัวบ้าบางที อย่างยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยสมัยบวชได้ใหม่อาตมา ก, กลัวกลัวเรื่องสวดมนต์มากเลยกลัวพาเป็นผู้นํามีคนตายเขาบานิมนต์อัดมาจะไปสวดศพอะพระก็ไม่ค่อยมีอาตมาไปแอบเลยนะความกลัวกลัวสวดมนต์ไม่ได้ทั้งที่เล็กๆทาเราไปก็จบแล้วไปแอบเขาก็ตามจะได้อะตัวเองก็ทุกสองทุ่มก็จะไปแอบเลยโยก็ไปส่องไฟหาพระไปสวดศพอันนี้อันนี้ พอมาเริ่มเรียนรู้ว่าเราก็เอากีนที่บนมีเรารับเลยปัญหาเกิดแล้วก็สู้แต่ก่อนเร า, าเคยหนีจากสุโกโตไปทิ้งแล้วตอนพรรษาสองภาษาสามเนี่ยก็ไม่อยากอยู่วัดแล้วรู้สึกว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราต้องโดนเป็นผูน้นําเดี๋ยวเกิดโค น, นําสวดบนไม่อยู่เราซวยเลยแล้วกเกิดเขาเราเทศแล้วก็เทศไม่ได้แล้ว ก, กลัวหน้าแตกกลัวอะไรสารพัดหมดอะแต่จริงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยเพอเรามา พอได้หาดสวดมนต์ใหม่ๆก็หน้าแตกแนละ้วบางทีสวดมนต์ล่มควบคุมควบคุ ม, มไม่ได้เสียงสัน่บนบางทีเพื่อนชวนให้หัวลาะเนี่ยหัวเลาะทั้งสวดมนต์ไม่ได้เลยสวดไม่ออกเลยตัวเองก็หน้าแตกโยมก็หัวเราอกันหมดเลย เ, เป็นปตั้งหลายครั้งแต่มาก็ไม่ท้อถือว่าฟาร์มผิดเป็นครูฟาผิดพลาดก็เราเป็นครูรู้ครั้งแหละเป็นอาจารย์เราด้วยอันมาก็ทํำมาก็เดี๋ยวนี้ก็สวดมนต์ได้เป็นผู้นําได้ แล้วก็มาหัดเทสก็หัดเทศเพื่อภาษาแล้วเนีองเพื่อปีแล้วเมื่อ ก, ก่อนก็ไม่ได้เทศอะ่ะผมไปกล้าเทศบางทีท่องก่อนไว้ดิบดีบอเทศจริงจําก่อนไม่ได้หน้าแตกก็มีควรดึงไปออกอะ่ะเวลาเทศจริงกับเวลาซ้อมเล่นๆไม่ เ, เหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะหน้าแตกเนี่ยเราจะได้บทเรียนภายข้างหน้าเราก็จะไม่ประมาทเราใสา่ความหน้าแตกอาศัยความผิดพลาดเราเป็นครูได้เรียนรู้ได้ คนที่เก่งเนี่ยมักจะกลัวจะไม่กล้าทางานที่ตัวเองไม่ถนัดผิดจาคนที่ขยันคนขยันเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้สามารถเรียนรู้ได้ไม่กลัวผิดอยากมาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาคอมพิวเตอร์เสียทิ้งหรือมีปัญหาเราก็ได้วิชาหนึ่งครั้งผิดสิบครั้งก็ได้สิบสิบวิชาเราสามารถเอาความผิดเนี่ยเป็นอาจารย์เราได้แต่ถ้าคนทําอะไรไม่ผิดเลยจะไม่เก่งหรอก ความฝันรู้ยังไม่เคพื่มขึ้นเลยเวลาทําแล้วกลัวพลาดอย่างบนทสวดมนต์เนี่ยเมื่อก่อนสนมาชิกสวดทําพบัจจักก็มาเสียงเลยนะเพราะว่าทํานองก็จังหวะทําทนองอะไรคล้องไปหมดอะหรือบทธรรมปาหังแต่มาชิกกล้าเซลก้าสวดใหม่ๆก็ไปยากเหมือน ก, กันแหละกวไปจะไดะ้แต่ตอนหลังนี่บทที่เราสวดบ่อยๆญาติโยมก็สวดคล่องขึ้นก็ระลาบลืนหมดตอนหลัง ทุกบทที่นำสวดย่าโยก่สวดได้บทรู้ทํารองรู้จังหวะหมดมันก็พัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราไม่กล้านะเราเราต้องการงานง่ายงานที่เราถนัดเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้เทศก็เหมือนกันอาตมาก็พยายามหัดเทศหหััดดอะไรเทศก็พยายามหัดย า, ยากมาหาง่ายอาตมาไม่ได้หัดอยา่อยากง่ายมาหายากพยายามเอากรออนิท า, านจํามาใหม่ๆขยายความไม่ได้แล้วก็ลองผิดลองถูก อาศัยประสบการณ์บางที่เรามาเทศได้ใหม่เนี่ยกะเทศเรื่องนี้นะพอเทศไปเทศบาลมันออกอีกเรื่องนึงเลยไปออกทะเลเลยมันไอเรื่องที่เตรียมมามันไม่ได้พูดเลยเพราะพูดจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ตรงกับที่เราวางแผนไว้เลยแหละก็เลยต้องเดี๋ยวนี้ก็เลยเทศเลยไม่ได้วางแผนเท่าไหร่เพียงวางเรื่องหลมุมหลวมไว้แล้วก็พูดไปเรื่อยนี่แบบเวลาจะหมดไม่กล้าวางเรื่องบีบตัวเอง ยังมีอีกเรื่องหนึง่งอาจจะมาเล่าดิทฐานให้ฟังดิทฐานเรื่องนี้ก็มีวัดอยู่วัดหนึง่งวันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแต่ตอนหลังนี่ได้ล้างมีหญ้าปกคลุมเต็มเป็นวัดใหญ่เคยดังและเคยรุ่งเรืองมาในอดีตอยู่มาวันหนึง่งก็มีพระสามคนมาเจอกันโดยบังเอิญในวัดนี้พระสามท่านก็มาเดินดูรอบวัด โดยมด น, นัดหมายแล้สามคนนี้ก็พูดพร้อมกันเนียนะว่าเอ๊ะเหตุไรวัดนี้จึงล้างทั้งที่วัดนี้นะใหญ่โตมีวัตถุมากมายมีกุฏิมีที่พักมีพระทุรูปมีเสนาธิกาต่างๆทุกคนข้องใจว่าทำไมถึงล้างเลยตัดสินใจเอ้าเราจะอยู่ลองพัฒนาวัดดูพระสามรูปเนี่ยอาณมาใช้เรียกกหคก็แล้วกัน พระ ก, กอมีความสามารถเรื่องสวดมนต์เขตั้งใจแล้วเอาไงเราจะเราจะสวดมนต์ให้มากเพื่อให้เทวดาหรือสิ่ ง, งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี้ช่วยโดยไปดาให้ญาติโยมมาทําบุญหรือมาวัดหรือใท้วัดจะเริ่มลุงเรืองขึ้นก็เลยสวดมนต์เต็มที่เลยส่วนพระขอมีความสามารถด้านก่อสร้างคือด้านช่าง สามารถซ่อมแซมสิ่งของได้ก็ตั้งใจว่าเราเนี่ยจะอยู่พัฒนาวัดบูรณากุติให้ดูสวยงามห้องน้ำห้องท่าน้ำไหลไฟสว่างก็ลงมือทาทันทีเลยไอ้ไหนสมโ ม, มเอาก็ซ่อมแซมให้ดีแล้วก็ทาสีให้สวยคือทุ่มแรงทั้งกายทั้งใจสวนพ ค, คอมีความสามารถเรื่อง เทศแล้วก็บอกบุญญาตโยมพระขอตัดสินใจไปเรียกไลบุญข้างนอกแล้วอยู่ในวัดก็แสดงธรรมสั่งสอนญาติโยมก็ทําเต็มที่เหมือนกันพระสารูปวิธามเต็มที่จากวัดที่เคยล้างก็เริ่มไม่ล้างแล้วตอนนี้ญาติโยมเริ่มศรัทธาเข้ามาวัดอย่างต่อเนื่องความเจริญก็กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่งจากวัดที่เข้ามามีญาติเยือกใหญ่อยูยยยยย่เต็มมี ย่าสูงท่วมหัวก็สะอาดสะอ้านน่าอยู่คนก็บรทบบุญกันไม่ขาดแต่แล้วอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็คงนายพอสมควรนะ่ะพระสามูปนี้ก็เริ่มบ่นแล้วพระกอก็บอกว่าพ่อฉันต่งหากวัดได้ถึงเจอเลยลุงเรืองพ่อฉันไหว้พระขยันไหว้พระสวดมนต์สงศสิทธิ์จึงเห็นใจคุ้มครองช่วยเหลือต่างๆทาให้วัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์พระขอบอกไม่ใช่หรอกพ่อฉันต่งหาก พ่อฉันขยันซ่อมแซมบุรณะวัตถุต่างๆวัดอยู่หน้าอยู่คนเข้ามาแล้วสบายใจพ่อฉันตั้งหากพระคอก็บอกว่าพ่อฉันตั้งหากที่เรียอะไรบูรแ ล, ล้วสั่งสอนญาติโยมญาติโยมฟังถามแล้วเกิดศรัทธาก็มาวัดกันก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาชาวบ้านญาติโยมที่ออกมาวัดบ่อยๆก็เริ่มเอือมละอาละรู้สึกว่าศรัทธาเริ่มตกก็เลย เริ่มถอยแล้วไม่ค่อยเข้าวัดวัดก็เริ่มคนน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนล้างพระสารมรุกี้ก็ตัดที่ใจะ จ, ะ จ, ะจะจากไปแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็รู้เหตุแล้วทําไมวัดถึงล้างล้างเพราะว่าวัดพระพาณในวัดไม่สามพระคีตกังหากอิจฉาริษยากันคือแทนที่จะยกความดีให้กับความว่างหรือให้กับธรรมชาติไปหรือยกความดีให้เพื่อนก็ได้ถ้าใจกว้างหน่อยเพื่อนจะได้มีกําลังใจทํางาน ซึ่งทั้งสามคนคิดอย่างนี้นะวัดนี้รับรองไม่ล้างแน่เพราะพระอิจฉาริษยาการแตกสามพรคีกันวัดเลยล้างคนเราฟ้าสามารถจะไม่เหมือนกันอย่างพวกพระผู้ผแม่ชีที่อยู่วัดเนี่ยอมาเชื่อได้เลยคนเราจะเก่งไม่เหมือนกันอย่างแม่ชีเน่ยบางคนก็เก่งทําอาหารเก่งบางคนก็เก่งด้านอื่นจะสามารถช่วยเหลือกันได้เพราะส่วนที่ขาดมากก็อยู่กับเพื่อนพระก็เหมือนกันจะไม่มีใครเก่งเหมือนกันทุกคนอะ แต่างบางคนเนี่ยเก่งด้านนี้แต่ไปขาดด้านโน้นแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสามัคคีกันเอาสวดที่ขายคนนี้ไปใส่ใคนโน้นเนี่ยจะมีพลังมหาศาลแล้ววัดนอกจากไม่ล้างแล้วจะเจอรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันมาเห็นวัดใหญ่เจ๋งมาหลายวัดแล้วเพรอวัดพระแตกสามคัคคีวัดดางๆก็พังมาหลายวัดจะประสบการณ์ชีวิตที่เห็นเห็นเห็นจริงๆนะวมดป่าสุกโตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าภายภาคหน้า ส่วนาจะมาอยากเกิดจากครูบาอาจารย์มองหน้าภาพก่อนเพราะบารมีลูกศิษย์ยังไม่พอลูกศิษย์ที่พอตั้งตัวได้ก็ไปตั้งวัดเองบางทีพระที่เป็นเจ้าวาดความสามารถมีจํากัดคือไม่เก่งหรือบริหารวัดไม่เป็นหรือไม่ก็ลูกวัดไม่เก่งหลายอย่างประกอบกันก็ฐานวัดเนี่ยญาติโยมก็ยักไม่ค่อยศรัทธาหรือบริหารผิดพลาดบริหารไม่ตรงจุดเรื่องนี้เกิดมาหลายวัดแล้ว บางวัดครูบาจารย์เมื่อเราพไปเดี๋ยววัดจะล้างเลยลุ้สึกกระทลกันก็มีพี่แยกกันไปเจ้าวัดเวลาก็หวังวัดปราศรุกโตจะไม่เป็นอย่างนั้นภายภักหน้าถ้าวัดเราสามพรคีกันไม่อิจฉาริสิยากันวัดก็เจริญลุกเรืองแน่นอนถ้าโยมเชื่อไหมความอิจฉาลิษยาเนี่ยกับความโลภเนี่ยดูไม่เหมือนกันนะอย่างจะเล่ายกติทานให้อยู่เรื่องหนึ่งอัลบาจามาแล้วจำไม่ค่อยแม่นพี่ชายสองคนอีกคนหนึ่งเป็นคนโลภอีกคนหนึงเป็นคนขี้ฉา วันหนึ่งไปเจอตะเกียงวิเศษเข้าก็เลยเปิดดกูก็มียักษ์จากตะเกียงออกมายักษ์ก็เลยขอบใจสองคนนี้ที่ช่วยให้ออกมาได้ก็ถามแต่จะให้พรคนละข้อขอคิดให้ดีๆขอได้ครั้งเดียวเท่านั้นชายคนที่โลภเนี่ยเป็นคนขอก่อนคือขอให้ตัวเองเนี่ยถ้าได้อะไรขอได้เป็นสองเท่าของคนที่ขี้ฉาคนโลภชอบาของ ข, ขอเข้าตัวงมาก ยมรู้ไหมคนขี้ฉาขออะไรคนขี้ฉาจะไม่โลภนะแต่ชอบเห็นความคือขี้ผายคนอื่นก็เลยขอให้ตัวเองตาบอดพอตัวเองตาบอดปุด๊บคนที่โลภต้องตาบอดสองข้างอันนี้คนขี้ฉามีความสุขแล้วคนที่ฉาเนี่ยมักจะขาดความสุขผิดจากคนที่ที่ให้แล้วก็ไม่เปรียบเทียบซึ่งจะมีความสุขกว่าเพราะคนเราเนี่ยสร้างเหตุไม่เหมือนกันบางทีพ่อแม่รักลูกก็ไม่เท่ากัน ครูบาอจารักลูกศิก็ไม่เท่ากันจะมีรักคนนี้มากคนนี้น้อยอันนี้เป็นธรรมดาของโลกเลยว่าคนเราสร้างบุญกุศลก็ไม่เท่ากันเราจะมีความสุขได้ก็เมื่อยินดียินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจสีตนมีอันนี้ยเราอยู่ความสุขได้ที่คนที่โชคดีแล้วที่เราทุกข์เพราะเราไปพอใจสีตัวเองไม่มีอ่ะเนี่ยทุกข์บางคนอยากมีรถก็ต้องไปผ่อนรถอยากมีบ้านไปผ่อนบ้านอันนี้ทุกข์แน่นอนเพราะอะไยังไม่มีอ่ะ แตถ้ามีอยู่แล้วเราพอใจยินดีแล้วเรามีความสุขและอย่างคนเราก็ชอบหาความสุขในอนาคตไม่ยอมมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไล่ล่าความสุขทั้งชีวิตอันนี้คืออยู่การวางใจถ้าวางใจเป็นก็มีความสุขแน่นอนการพูดธมขอคธรรมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาขอปิดท้ายขอฝากกรของหลวงพ่อพุทธทาตุหนึ่งกรชื่อว่ากอนอยาละงับสับปปะทุก์ ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั้นเลือกเอากั่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากลิตแรแมลงไม่มีกูของกูสแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาน่าเป็นเฟนเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกให ญ, ใหญ่หกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เมล็ดมัน นักกช่างเท่ากับยาทั้งหลายเข้ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะอันเป็นธรรมชั้นหัตัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟก้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัปรปโลกเป็นโลกอุดร ขอความสุขความเจริญทำจงมียญาติโยมทุกท่าน